ก็ความในมิเรนถ้าปัญหาอนุมาณปัญหาเนี่ยนะมาขึ้นเีนาสะวะภาวะปัญหาพระเจ้ามิเรนถามาาราพระนาเกษดว่าพระกุณเจ้าพวกท่านกล่าวกันว่าครหัตผู้ใดบรรลุความเป็นพระอาหารอหันต์ครหัตผู้นั้นย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอันอื่นไม่เป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าเมื่อบรรลุเสร็จน่ยนะ พอบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จเนี่ยนะคือต้องบวชหรือถ้าไม่บวชก็ต้องปริณิพานในวันนั้นนัแหละไม่ล่วงเลยวันนั้นไปได้พระคุณเจ้าถ้าหากว่าในวันนั้นไม่อาจได้อาจารย์หรืออุปชาไม่สามารถมีบาทและจีวรท่านผู้เป็นพระอรหันต์นั้นจะบวชเองหรือล่วงเลยวันนั้นไปพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์รูปใดรูปหนึ่งพึงมาบวชให้จะได้หรือไม่ หรือล่วงเลยวันนั้นไปแล้วจึงปรินิพานจะได้หรือไม่คือโดยทั่วท่วไปนี่กล่าวชัดเจนอยู่แล้วว่าพระอรหันต์เนี่ยคารวสผู้เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่บวชวันนั้นก็ปรินิพานมีสองอย่างนะแต่ว่าโดยมากจะบวชนะโดยมากพอบรรลุเสร็จก็บวชเลยนะโดยมากเนี่ยนะแม้กระทั่งพระนางเคมาภิกษุณีเนี่ยนะก็บวชในวันนั้นเลยเพราะผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้น โดยมากจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่บวชก็ปรินิพานเลยนี้พระเจ้ามิลินก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมถัดวันไปอีกวันหนึ่งไม่ได้หรื อ, อนะเป็นตน้นนะถัดวันว่าอีกวันหนึ่งไปไม่ได้หรือซึ่งพระนากเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิษพระาอารหันนั้นไม่อาจ บ, บวชเองได้คือปกติถ้าสมมติเราบรรลุปเป็นธาตุหันหาอุปชาแล้วก็หาอุปชาไม่ได้เนี่ยนะบวชเองไม่ได้ไหม ถ้าเป็นคารวาจะบวชเองได้ไหมในวันนั้นอย่างนี้นะเมื่อบวชเองก็บอกในนี้บอกว่าบวชไม่บวชเองไม่ได้เพราะเมื่อบวชเองก็ถึงความเป็นทายะสังวาสก็เรียกว่าปลอมบวชหรือลักบวชเนี่ยนะขโมยบวชเหมือนกันแท้ขณะเดียวกันพระอรหันต์จะไม่ยอมบวชเองอันดับที่หนึ่งนะหมายความว่าคารวาที่เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ยอมบวชเองต้องมีอุปชาต้องมีอาจารย์และขณะเดียวกันก็ไม่อาจจะล่วงเลยวันนั้นไปได้ จะมีพระอรหันต์รูปอื่นมาก็ตามไม่มีก็ตามท่านจะต้องปรินิพานในวันนั้นนั่นแหละถ้าไม่บวชถ้าไม่บวชนะถ้าไม่มีอุปชาอาจารย์บวชให้ภายในวันนั้นก็จะปรินิพานพระเจ้ามิเรนก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าน่าเกษนถ้าอย่างนั้นความเป็นพระอรหันต์แห่งพระอรหันต์เนี่ยย่อมเป็นเหตุฆ่าชีวิตงั้นอรหัตผลก็ไม่ดีสิเพราะอารหัตผลเนี่ยเป็นเหตุให้ใครบรรลุแล้วต้องตาย คือเป็นเหตุให้บุคคลผู้บรรลุอรหัตผลเนี่ยต้องถึงความสิ้นชีวิตเอ๊ะจะดียังไงเมื่อเป็นทารหันแล้วถ้าไม่บวชก็ต้องตายอย่างเงี้ถึงกับแหมอรหัตผลเนี่ยถึงกับทําลายชีวิตไปเลยเนี่ยอรหัตผลไม่น่าจะดีมั้งอันนะั้นคือจริงๆแล้วอยากจะอยากจะ คำถามของพระเจ้ามิเลนจริงๆอ่ะไอ้ที่ถามข้างบนเนี่ยไม่ได้ต้องการคําตอบเท่าไหร่เลยแต่ว่าให้ตอบให้ถูกทางเมื่อตอบถูกทางแล้วก็ต้องการจะบอกว่าเนี่ยอรหัตผลน่าจะไม่ดีจริงเพราะครื่องหัดที่บรรลุแล้วเนี่ยถ้าไม่บวชวันนั้นต้องปรินิพานนะพันอรหัตผลดียังไงเมื่อถ้าไม่ได้บวชก็ต้องตายบวชเองก็ไม่เลยต้องมีครูมีอาจารย์ต้องมีผ้าต้องมีองค์ประกอบจึงจะบวชได้เอ๊มันมันยังไงยังไงอยู่นะว่างั้นนนะ เธอคือปัญหานี้เขาเรียกว่าสงสัยในธรรมคุณว่าภาวะแห่งอรหัตผลเนี่ยดีจริงหรือไม่เพราะว่าถ้ายังเคลือบแคลงในพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งซึ่งเป็นธรรมอันดีเนี่ยนะการที่จะตรัสรูม้มรรคผลมีไม่ได้ปัญหาของพระเจ้ามิลินเนี่ยนะโดยมากเนี่ยเป็นคําถามเกี่ยวกั บ, ก ว, กบว่าพระัตนตรสัดส่วนใหญ่เพราะว่าผู้ที่มีความสงสัยในพระัตนตรยัยเจริญไม่ได้อยู่แล้วเพราะถูกตะปู ติมใจเนี่ยนะถูกลิ่มเรียกว่าความสงสัยในพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระธรรมความสงสัยในพระสงฆ์สกัดหรือแม้กระทั่งมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนแบบนี้ว่าเออเนี่ยอรหั ต, ตผลเนี่ยดีจริงหรือเพราะว่าผู้ที่บรรลุเนี่ยถ้าไม่บวชก็ตายทีนี้ถ้าเกิดหาอุปชาอาจารย์ไม่ได้ก็ตายฟรีสิ่งนีเออไม่น่าจะดีจริงมั้พระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรเพศคฤหัสถ์ไม่สงบ เพราะความที่เมื่อเป็นเพศไม่สงบก็เป็นเพศที่สามกำลังโดยสภาวะของเครือขัดเนี่ยนะไม่สงบเลยแล้วก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีพะละกําลังเนี่ยนะเครอหอัดผู้บรรลุความเป็นผ้าฐัน์จึงต้องบวชในวันนั้นนั่นแหละถ้าไม่บวชก็ต้องปรินิพานขอถวายพระพรข้อนี้หาใช่โทษของความเป็นพผ้าฐานไม่ความเป็นเพศสามกำลังนี้เป็นโทษ ของเพศครือหัสนั่นเที่ยวไม่ใช่อรหัตผลไม่ดีแต่เพศไม่ดีใช่แต่คนถามพอดีเป็นคารวาสก็เลยบอกไอ้คารวาสมันน่าจะดีอ่านะพอดีคนถามเป็นคารวาสก็เลยเออคารวาสน่าจะดีถ้าคนถามเป็นพระภิกษุบอกโอ้ในบวชต้องดีอย่างเดียวนะทีนี้ก็ถามต่อไปว่าเออก็อธิบายเปรียบให้ฟังว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าโภชนาหารซึ่งเป็นของหล่อเลี้ยงอายุคือรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อาหารนั้นก็ยังคร่าเอาชีวิตได้เพราะการที่ธาตุไฟย่อยอาหารอันเป็นโกฏิาสะที่ไม่สงบคือมีข้อเสียเช่นธาตุไฟอ่อนกำลังก็คือย่อยไม่ได้นะไม่อาจจะย่อยได้คือเตโชธาตุไม่ทำกิจเมื่อเตโชธาตุไม่ทำกิจมันก็ย่อยไม่ได้ย่อยไม่ได้จะไปไหนก็เหมือนชูชคใช่ไหมชูชคเนี่ยตายเพราะว่าอาหารไม่ย่อยนะไม่ใช่ท้องแตกตายนะอาหารไม่ย่อย อาจเป็นไปได้นะเพราะกินไปเยอะแล้วมันก็ไปอืดอืดอืดแล้วก็แตกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆในคมภีท่านบอกว่าอาหารไม่ย่อยกินเกินไปประั้นขอถวายพระพรเพราะเป็น เ, เพราะความที่เมื่อเป็นเพศไม่สงบก็เป็นเพศที่สามกำลังเครือส่าผู้บรรลุความเป็นผ้าหันจึงต้องบวชในวันนั้นนนั่เที่ยวหรือไม่ก็ต้องปรินิพานขอถวายพระพรข้อนี้หาใช่โทษของความเป็นผ้าหาันไหม ความเป็นเพศสามกำลังนี่แหละเป็นเพศเป็นโทษของเพศกระหัสนั่นเทีเ่ยวฉะนั้นเหมือนกันคือพระนาคเส ก, ก็ยืนยันว่าอรหันตผลดีแน่ดีจริง น, นะเป็นธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นธรรมที่พลล้นโลกเป็นธรรมที่พ้นทุกแต่เพศคารวาสนี้สรุว่าเลวมากเหมาอนั้นใช้ไม่ได้ไม่สามารถรองรับอรหันตะคุณได้เหงือนกันทีนี้ก็เปรียบอุปมาตอบอีกว่าขอถวายพระพร อ, อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมื่อเสือ เสือยาผืนเล็กๆเนี่ยนะที่เขาเอาก้อนหินหนักๆวางไว้เบื้องบนก็ย่อมฉีกขาดไปเพราะความที่เป็นของไม่แข็งแรงฉันใดขอถวายพระพรเครือหัดผู้บรรลุความเป็นธาอุหันแม้เมื่อไม่อาจรองรับความเป็นธาตุหันโดยเพศนั้นได้ก็ต้องบวชในวันนั้นเสียทีเดียวหรือไม่หรือไม่บวชในวันนั้นก็ต้องปรินิพานฉันนั้นเหมือนกันคือรองรับของหนักๆอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะหรืออีกในหนึ่ง ขอถวายพระออขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้อ่อนกำลังซามกาลังเป็นคนที่มีชาติกำเนิดต่ำมีบุญน้อยเนี่ยนะได้รับราชสมบัติที่แสนจะยิ่งใหญ่แล้วก็ย่อมตกไปพลาดไปถอยกลับไปมิอาจจะรองรับอิสริยาฐานะนั้นได้ฉันใดขอถวายพระพรครหอขัดผู้บรรลุความเป็นผ้าหานก็ย่อมไม่อาจจะรองรับ ความเป็นพาดหันโดยเพศนั้นเพราะเหตุนั้นจึงต้องบวชในวันนั้นนั่นเทียวหรือไม่ก็ต้องปรินิพานฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่ดีก็เอาอะไรนะเอาเด็กๆขึ้นเป็นนายกสักสองวันดูสิประเทศชาติจะเป็นยังไงอะไปถึงสองวันแล้วก็ปลดตั้งกับวันแรกแล้วเดินขึ้นไปเขาก็ไล่ออกวันแล้วอย่างนั้นเถอคือมันรองรับไม่ได้นะ เพศครหัตเนี่ยไม่สามารถรองรับอรหันตคุณได้ฉะนั้นเหมือนกับคนเอาจันทานเนี่ยมาขึ้นครองราชสมบัติะนะจันทานผู้งโง่เขลาปกครองราชสมบัติได้อย่างไรฉั้นใดก็ดีเนี่ยอาเพศครหัสตก็เป็นเพศที่ต่ํำสามไม่สามารถจะรองรับอรหันตผลได้สมัยที่พระอารหันตเขาเยอะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้การรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฆราวาสเขามีสิทธิ์บรรลุได้นะแต่บรรลุแล้วต้องบวชนะแต่ถ้าสมัยนี้ก็ขอให้มันปิดอบายได้ก็บุญแลว้วนะ พูดทางสารานังคชาม่ใครแน่นๆเถอะเนี่ยนะงี้ ก, ก็เอาดีละมันมันคนละยุคกันนะเนาะที่จริงโดยมากถ้าไม่บวชปรินิพานในวันนั้นจริงๆอย่างพระเจ้าสุโทธทนะเนี่ยนะพระองค์ปรินเป็นพระาราล์แล้วก็ปรินิพานหรือสัน ต, ติมหาอามาตย์เนี่ยทั้งทั้ที่ถ้าถ้าบวชนะนะแต่ท่านก็ไม่ได้บวชอะไรท่านก็ปรินิพานในวันนั้นเลยทั้งทั้งสองท่านทั้งพระเจ้าสุโทธทนะและสัน ต, ติมหาอามาตย์ก็เป็น คารวาที่เป็นผ้นารอหารแล้วปริณีผ่านในวันนั้นในก็เป็นปัญหาต่อไปก็คือปัญหาเมื่อกี้เนี่ยปัญหาที่สงสัยในอรหัตผลก็คือสงสัยในธรรมคุณ